การศึกษากันชั่วคราวหมายความว่าเอาไว้เป็นเครื่องนำไปพิสูจนปฏิบัติแต่สําหรับเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไม่ขอนําพระสูตรมากล่าวจะนําเรื่องราวที่ผมเองผ่านมาเป็นการตายวาระที่สองอย่าลืมว่าก่อนที่ผมจะตายผมมีความเคารพ ในพระธรรมส่วนหนึ่งทั้งนี้ก็มไม่ได้หมายความว่าจบทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติแต่สำหรับว่าตอนหลังนี้ตอนที่ขณะที่มาบวชหลวงพ่อปานมีกฎให้ปฏิบัติคือหนึ่งในเจรณะสิบห้าประการ ต้องทรงกำลังให้ครบถ้วนประการที่สองบารมีสิบระการต้องทรงกำลังประจำใจเรือการที่สามกรรมฐานสี่สิบอย่างต้องรู้ครบถ้วนบริบูรณ์และก็ทำได้เระการที่สี่จะต้องมีจิต ประกอบวได้คิดของสงฆ์ทุกอย่างที่จะพึงกระทําั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่ผ่านมาจากการตายวาระที่หน่งแล้วเข้ามาอุปสมบทแต่ว่าในเวลาที่จะพบกับความตายครั้งที่สองนี้ผมไม่ได้อยู่ที่วัดบานมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอ ย, ยุธยาเราะว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานบรรณภาพแล้ว ต้องไปศึกษาพระบาลีอยู่ในกรุงเทพภาระในเวลานั้นบรรดาท่านทั้งหลายผมมีภาระหนักมากหนึ่งต้องปกครองพระอยู่สี่สิบองเศษและบระการในสองพระองค์หนึ่งในวัดนั้นก็มีกฎว่ารับลูกศิษย์ได้องค์ละสองคน ก็มีเด็กพิรุษิทธิ์ที่มีประจำอยู่แปดสิบคนเศษภาระของผมต้องปกครองด้วยและก็เลี้ยงดูด้วยเป็นนักเทศเทศได้เงินปีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเพราะว่าสมัยนั้นพระในกรุงเทพมีความลำบากมากบินบาทไม่พอฉัน จะพอก็แต่เพียงตอนเช้าเท่านั้นตอนเพลนไม่มีโ <c oughs> ดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสำหรับเด็กวัดก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่เขาไปฝากเขาก็รับรองทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องเกี่ยวข้องเขาจะส่งอาศัยได้ที่อาศัยนอนเท่านั้นแต่เมื่ออยู่เข้าจริงๆ ก็ปรากฏว่าอย่างดีแกก็ห่วงอยู่สองเดือนนอกจากนั้นก็เป็นภาระของผมเมื่ออยู่ด้วยก็จำจะต้องเลี้ยงต้องดูเป็นภาระหนักยันเงินจากการเทศนยการสวดไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเป็นค่าอาหารการบริโภคดีไม่ดีเสื้อกางเกงแกไม่มีค่ารถไม่มีก็ต้องให้ไปด้วย นี่เป็นอันว่าเขาสลูกไปมอบให้แก่วัดจริงๆไม่ได้ส่งเสียลูกเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นงานปกครองก็หนักเป็นครูสอนนักธรรมด้วยและก็ต้องเรียนบาลีด้วยภารกิจแห่งการทำสมณธรรมเกือบจะไม่มีกำลังจิตในตอนนี้ก็ทรงอยู่เพียงว่าในขั้นอุปจาระสมาธิบ้าง บางทีก็อาจจะถึงฌานสมาบัติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีนักถ้าจะพิจารณาตัวเองและรู้สึกว่ามันจะพล่องๆองไปมากในเมื่อมีภาระมากมีกิจมากอย่างนี้การที่จะใช้เวลาจเจริญสมณธรรมโดยเฉพาะมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าผมก็เป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือไม่ยอมให้รมว่างเฉยๆเวลาว่างจากการงานผมก็ทํางานตามเรื่องตามราวของผมงานของผมก็คืองานของจิตดีไม่ดีเพื่อนๆมาคุยดีกันบางครั้งผมก็เกือบจะฟังไม่รู้เรื่องก็ห่วงกําลังจิตคิดว่าความดีที่ได้ศึกษาไปจากหลวงพ่อปานมันจะสูญเสียไปหมด แต่ได้ว่าการที่จะใช้เวลาที่ปปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิมันมันหาไม่ได้ได้ยก็เวลาว่างคือเวลาเดินขณะตอนเช้าไปพิธัมบาดนี่เป็นโอกาสสำคัญ <c oughs> ตั้งแต่เดินไปถึงเดินกลับ <c oughs> ก็พยายามรักษารมอยู่ตลอดเวลาเวลาฉันอาหารฉันองค์เดียวไม่มีใครเขา้าข่วน พระรู้สึกฉันออกไปเวลานั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเวลาหนึ่งที่ใช้เวลาที่พิจารณาเป็นอาหารเรียบวิติโกเดสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าคนที่กินข้าวอยู่อย่างนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับผม mm hmm. เขากินกันมามากแล้วก็ตายไปจานวนนับไม่ทวนดังนั้นการกินของเราจรึงไม่มีความหมายในเรื่องรสอร่อย มีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือกินเพื่อ ย, ยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแล้วคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายอย่างกับชาวบ้านเขาตายแล้วความตายของเราจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของกฎของกรรมงานหนักมากดีสุดการเรียนบาลีบรรดาสนหลายหนักพราในการท่อง แล้วก็ต้องหนักกริการซ้อมซ้อมเรื่องของตัวเองที่จะต้องไปเรียนเมื่อเรียนกลับมาแล้วได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อความทรงจำให้ความรู้ทรงตัวและก็ต้องทำการบ้านสำหรับการสอนก็ต้องเตรียมการสอนในการดูโน้ตอี แล้วก็เตรียมปัญหาไปเพื่อนักเรียนนักศึกษากลับมาก็ต้องนำปัญหาเขานักเรียนนักศึกษามาตรวจ <c oughs> เป็นอันว่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลาว่างยากเตีนทีเรื่องที่จะใช้เวลาไปเที่ยวเตรมันไม่มีจะมีเวลาอยู่นิดเดียวรือเวลาประมาณสิบแปดนาิกาถึงสิบเก้านาฬิกา ก็จะหาเวลาไปเดินเล่นรอบๆ บ, บริเวณวัดเพื่อจิตใจมีมโปรง่งหลังจากนั้นจิตก็จมอยู่กับตาราตลอดเวลาเมื่อว่างจากตาราก็ใช้จิตกำหนดจิตรักษารมจิตเท่าที่จะพึงทำได้ถ้าดูการจริงๆแล้วผมว่าผมเลวลงกว่าเกา่าถ้าจะไปเทีย บ, บอารม ก็รู้สึกว่าเรามันว่องว่างชอกกุลเวลานั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นคนพูดน้อยมีคนหลายท่านด้วยกันที่เขาวมาพบใน ต, ตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระองค์นี้จะบวชอยู่ได้นานเพราะว่าในเวลานั้นเวลาเดินปณิบาตจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นคนเฉย เวลาจะพูดก็พูดโดยทรรมโดยเฉพาะในกิจที่จำเป็นโดยมากไม่พยาออยากจะพูดกับใครทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเกสอนจะร่วงคำว่าเจสอนก็คืออารมณ์ของสมาธิและวิปัสสนาญาณตอนนี้ดีไม่ดีไม่ร่วงเอาเฉย สิ่งที่ระวังที่สุดก็คือนิวรณ์ห้าประการนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชที่จะเรียกว่าเนคัมมะบารมีถ้าราับลอยให้นิวรณ์ห้าประการนี้เป็นเจ้าประจํำหัวใจของเราเราก็ไม่สามารถจะเรียกตัวได้ว่าเนคัมมะบารมีแน่นอน ในบริการหนึ่งนั่นก็คือบารมีสิบเจรณะสิบห้าริการรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะต้องทรงตัวอยู่เป็นปกติแล้วการพิจารณาร่งารงกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราอันนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่เป็นธรรมดา แต่มันก็ทรงได้ดีไม่มากเพราะใจมันก็ไปห่วงตำราสำหรับเรียนห่วงตำราสำหรับสอนรวมความแล้วรู้สึกว่าตัวเลวกว่าเก่าแต่ได้ว่าธนลัยวันปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันหลังสงครามโรคครั้งที่สองนี่ผมจำไม่ได้แน่นะ ว่าจะเป็นพอสอเท่าไรเพราะว่าไม่ได้จดพอสอมา <c oughs> เป็ น, น้นว่าวันหนึ่งในตอนเช้าความจริงเวลานั้นอ้โรคระบาดหนักมันก็เกิดกับประชาชนเหมือนกันเวลานั้นเขาเป็นโรคไทฟอยกันมากอย่าลืมว่าผมตายครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือมีโรคอะยุวามาก ตอนนี้โรคไทฟอยด์เล่นงาน่ายชาวบ้านหลังสงครามโรคคขามีสองยารักษาโรคยังดีไม่พอยังไม่ค่อยมีเพราะยาของเราขาดวันหนึ่งผมฉันยาขนาดหนึ่งยาขนาด น, นี้เป็นยาเขาบอกว่ายาดีมากถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นยาต้ม แรื่ความจริงก็ไม่ได้กินแต่ผมคนเดียวคนอื่นเขากินกันมาก่อนในคณะที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็บวชยาขนาด น, นี้กินแล้วมีความสุขมีความสบายท้องปโปรง่งใจปโปรง่งสมองปโปรง่งเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านนิชัยสมองพระอื่นกินแล้วมีความสุขผมก็ลองบ้าง พระทอรินมาให้ตามที่ท่านท่านเคยฉันมันก็ไม่มากไปไมายประมาณของมันก็ประมาณอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยชาไม่น่าจะมีเป็นโทษแต่พอฉันยาขนาดนั้นเข้าไปไม่นานใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีท้องก็เริ่มถ่ายหนักถ่ายสามครั้งหมดแรง ตอนหมดแรงนีเองจิตวิวมีอาการเหมือนกับเป็นอาการครั้งแรกจําได้แต่ถ้าว่าความรู้สึกปวดมลนในท้องมันมีอยู่บ้างก็ใช้กำลังใจเข้าขมเท่าที่จะพึงทำได้ตอนที่ใช้กำลังใจเข้าขมนี่รู้สึกว่าไม่หนักเพราะอะไรทุกเวทนานหนัก มันทั้งเสียดทั้งปวดใน ท, ท้องอาการเหมือนเดิมนี่เป็นอันว่าผมกล้าพยากรณ์ได้ว่าถ้าผมจะตายจริงๆมันก็เอ็โรคเกี่ยวกับลำไส้เรียวกับเพาะนี่แหละเพราะถ้ามันจะเอาตายคราวไหน <c oughs> คราวใดที่จะมีการอับปางของชีวิตมันก็เป็นโรคกะเพาะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าการป่วยคราวนั้นทั้งปวด ท, ท, ทั้งเสียด วาการปวดเสียเริ่มขึ้นตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายกำลังใจก็มีความคิดว่าชีวิตของเราคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องตายแน่เพราะว่าสภาพการมีเปนครั้งแรกไม่ได้ผิดกันเว้นไว้แต่ว่าการเป็นคราวนี้รวดเร็วกว่าเก่า เ็ื่อนอนลงไปยาจะฉันมันก็ไม่มีเพราะหลังสงครามโรคครั้งที่สอง <c oughs> มียาแก้อื่นไม่มีก็มีแต่ยาหกเล็ก น, น้อยก็ฉันเข้าไป <c oughs> เวลานอนป่วยลงไปจริงๆกลับจิตมีความรู้สึกสบายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายอย่างมากแต่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายก็ได้ นี่มันมีความรู้สึกว่าเราจะตายก็ตัดสินใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายพันนี้มันก็กําลังจะพังเป็นวาระของมันแต่ว่ามันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมันแต่การตายคราวนี้เราก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าจะไปไหน เพียงรักษากำลังใจให้เป็นสุขเวลานั้นร่างกายถึงจะมีทุกขเวทนา น, นักแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าผมเลวลงแต่พอจิตเข้าจับเข้าถึงระดับนี้ปรากฏว่าจิตมันมีกำลังดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนมันมีความโปร่งมีความสบาย ทุกเวทนาใดๆที่ปรากฏก็ไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ที่เราสะสมไว้ทีละน้อยๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก <c oughs> มาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับหลวงพ่อปานใช้อารมณ์เครียดแต่ว่าเวลานี้อารมณ์ถอยลงเพราะมีภาระมากเข้าใจว่าจะเลวลง นี่เพราะสายการสั่งสมตัวที่เล็กเล็กและน้อยในการเจริญสมถาวิปัสนาน่าใสเมตตาบารมีที่เคยปฏิบัติมันก็มารวมตัวกันแทนที่จะหนักในด้านทุกเวทนากลับมีอารมณ์จิตสบายมีความโปรง่งอารมณ์จับจูแต่เพาะคำว่าพุทโธ พอจิตจับคำว่าพุทธโธคนนึกว่าพระนามนี้เป็นพระนามความดีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าวาสนาบรารมีมีไม่ถึงก็จะขอพยายามไต่เต้าไปทุกขันจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าให้ได้ นี่เป็นอนวุวาพกำลังใจของผมก็ของผมก็ยังถือพุทธานุสติกรมาฐานเป็นสำคัญถึงแม้เวลานี้กหมือนกันผมยังไม่ได้ทิ้งเวลานั้นรู้สึกว่าสายตามองสั้นเข้ามาทีละน้อยดะน้อยมองทีแรกเห็นไกลขนาดเดมิมต่อมามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกที สั่งเข้ามาจนกระทั่งพระกับเนนนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นพระไม่เห็นเนนแต่จิตใจก็ยังมีความโปรง่งจิตใจมีความสุขทุกขเวทนาไม่ได้เบียดเบียนตอนนี้ถ้าจะพูดกันก็ถือว่าจิตอารมณ์จิตเป็นฌานนั่นเอง นี่ท่านั้นหลายจยมจำไม่ว่าอารมณ์จิตที่เป็นฌานน่ะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดตัวแข็งเมื่อคนจะตายไม่เจองันก็คืออารมณ์ใจสบายอารมณ์ใจที่ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาเขาเรียกกันว่าอารมณ์อุเบกขาอารมณ์ <c oughs> ตอนนี้ขอท่านโปรดทราบว่าเป็นเรื่องของฌานโลกีโดยเฉพาะใจมีความสุขใจมีความสบาย ในอากาศหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแพรพราววิถีเทวดา้วตรมเทวดานางฟ้าบางคนก็ไม่ยกมือไหว้บางบางท่านก็มานั่งใกล้ๆเอามือลูกเอามือไล่บาง <c oughs> บางท่านก็สนทนาปราศัยที่พระวาจาที่ไ่เราะทำให้ลืมร่างกายลืมทุกขเวทนาทั้งหมด ตอนนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายมันใหญ่โตมากเหมือนกับถ้าหลูกใหญ่แต่ว่าตัวของเราจริงๆนั่งอยู่ในถ้ามันมีเครื่องประดับแปรามีสภาพเหมือนรมแต่ว่าสวยมากคราวนี้ร่างกายสวยกว่าควาวกล่อนมากนี่ทำยังไงตอนนี้ก็มานั่งตัดสินใจ ว่าเราควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะไปเสียจากร่างกายอันนี้เรื่องความหยาย่วงใยร่างกายไม่มีในขณะนั้นใจมีความสุขกายใหม่ที่ได้มาสวยสดงดงามมีความเบามีสภาพเป็นสุขไม่มีความหนักเหมือนกายเก่า เห็นกายเก่าโตเท่าถ้ำของพวกเขาพวกเขาหนึ่งกว้างขวางมากต่อมาก็มานั่งตัดสินใจใหม่ว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะควรอยู่หรือควรไปถ้าหากว่าจะควรจะไปก็ขออย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นถ้าหากว่าควรจะอยู่ต่อไปขอฉับพลันรังสีรัศ ม, มีหกรายการพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุยพุ่งมาเป็นเพดาน พออธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่าจับพ ร, ร, ร, บรณรังสีฤๅหาวกายนเขาองค์สมองค์สมเด็จปัสสมมาสมพุทธเจาพพ้าผูมาเป็นพันดานทรงอยู่ประมาณห้านาทีก็าหายไปก็ามานั่งคิดในใจว่าการอยู่ต่อไปกับการไปคราวนี้นี่ใครจะดีกว่ากันมันยังไม่แน่ถ้าอยู่ต่อไปถ้าเลวกว่านี้หรือเท่านี้เราก็ไม่ควรอยู่ โย่ไปก็นเน็ดเหนื่อยขาดทุนบราวปล่าถ้าอยู่ต่อไปจะดีกว่านี้ก็ควรอยู่ยิงได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าจะมีวาสนาบารมีในด้านสมณธรรมเรื่องยศาบรรดาศักดิ์ไม่เคยพูดถึงถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอได้โปรดให้มีทักษะฉับพลันรังสีรัศมีหบริการ ขององสมเด็จพระวิชิตามาร์ยุ้ยพุ่งมาแล้วก็บนเป็นทักสินาวัตถ้าอยู่ต่อไปจะมีความดีเท่าเดิมและเร็วกว่าเดิมก็ขอพระพระศมีท่านหประการจงหยาปรากฏพระดิฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันรังสีและศมีหประการพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักสินาวัต เป็นอันว่ามีความเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่อไปความดีจะดีกว่าเดิมจึงได้ตัดสินใจอยู่พอตัดสินใจอยู่ในขณะดเดียวกนนั่นเองเมื่อฉับพันรังสีรัศมีหัประการขององค์สมเด็จพระิชิตมานหายไปก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาว แต่ความจริงท่านบอกภายหลังว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองเห็นเป็นขาวเอายาก้อนหนึ่งมาถวายเพราะว่านี่มนฉันยาก้อนนี้รับยามาฉันมันมีรสเหมือนกับดินธรรมดาท่านก็บอกว่าร่างกายที่ป่วยคราวนี้ขาดธาตุดินธาตุดินบกร่อง เมื่อฉันยาเข้าไปแล้วแต่ยานี่รสเหมือนดินได้กลิ่นหอมเป็นพิเศษแล้วท่านก็บอกว่าวันมรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนฉันยานี่หายร่างกายจะมีกำลังจึงได้เรียนถามนั้นว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นยิ้มท่านกรถามว่าจำโยไม่ได้หรือ นิยมมาในเขตพระก็เลยต้องนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองแต่ความจริงเครื่องแบบของโยมจริงๆเมื่อเข้าเครื่องมันเป็นสีเขียวเท่านี้ก็เป็นทราบชัดว่านั่นท่านบนนั่นคือพระอินนันเอง <c oughs> และ ว, ว่าพระอินนันท่านเคยรับรองว่าท่านเคยเป็นบีดามาหลายสากับก็คือหลายสาชาติเหมือนว่ากันนานนะัก เมื่อท่านยาท่าให้สัญญาแล้วท่านก็ถอนตัวกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเวลากายมันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเพราะว่าบริเวณนั้นทั้งคนทั้งพระทั้งนีนเต็มไปหมด <c oughs> เขาแจ้งบอกว่าท่านตายไปทั้งหลายชั่วโมงความจริงก็ต้องคิด ว่านั่นมันยังไม่ตายทำไมเขาจึงรู้สึกว่าตายแล้วเมื่อความมีความรู้สึกกมาก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงนี่มันดีผิดปกติดีเสีย ก, กว่าเดิมเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยสิอีกจิ่งถามท่านนันหลายเหล่านั้นว่าทำไมท่านยังบอกว่าตายแต่ความจริงผมไม่ได้ตายผมมีความรู้สึกอยู่เสมอนี่นก็มีหมออยู่ใกล้หมอเขาก็บอกว่า ท่านตายแน่ครับผมมานี่อยู่ช่วยแก้อยู่ตั้งนานทำยังไงยังไงอาการไข้อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นผมคคิดว่าจะไม่ฟื้นแต่ว่าอยู่ดีๆท่านก็นกลับมีลมให้ใจขึ้นมาเฉยๆต้อตายแน่เวลานั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณใหญ่ท่านหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือท่านสมเด็จพระพุทธอาจารย์ว่านงคารามเชื่อเป็นพระที่คนกระบา์บาูชาย่างยิ่งมีปฏิปทาคล้ายคืองหลวงขปานเพราะในขณะที่ปรากฏ่ารมปลานไม่มีที่จะรียกว่มาตายตอนนั้นท่านมีวันชาไว้ว่าจงอย่ายุ่งกรับร่างกายของพระองค์นี้จงขวาจะได้รับคำสั่งให้ใจการศพ ถ้ายังไม่ได้รับคําสั่งให้จัด ก, การศพเมื่อไร่ห้ามแตะต้องกายปล่อยให้พญานั้นใครอจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าถ้าจะให้การรักษาพยาบาลทําได้ทําการแก้ไขทําได้แต่ว่าการคิดว่าจะมัดสายกระสังเจ้าบน้ําฝนที่เน่าน่าจะอาบน้ําศพที่จัดการเผาห้ามคิดนี่เป็นอันวา่าพระคุณเจ้าโรบนี้เป็นพระที่ควรจะการบูชา องค์นี้นะ่ยไม่มีใครรู้ท่านว่าท่านเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นสมเด็จแต่ถ้าว่ากําลังจิตของท่านที่บรรดาท่านทาั้งหลายทั้งว่าท่านไม่มีความรู้พิเศษจริงท่านก็ต้องยอมให้เขาจัดการศพดีไม่ดีผมเมื่อขณะที่มีความรู้สึกก็อาจจะถูกสายกรสังมัดตรึ ง, งจนขยับตัวไม่ได้ และกายอาจจะตายไปเพราะสายกระสังรัตคือให้ใจไม่ออกก็ได้ท่านี้ชีอว่าเป็นการตายครั้งที่สองแต่ตายแล้วยังไม่ไปคิงก้่งแค่ตั้งท่าว่าจะไปที่นำมาเล่าให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายได้รับทราบก็เพราะว่าการทรงจิตอยู่ในจารณะสิบห้ารมีสิบอิทธิบาทสี่ แล้ก็พรมีหารสี่การละอกะติสี่เป็นความดีที่สามารถจะทำตนของตอนให้เป็นที่พึ่งแก่นตนได้เป็นอย่างดีตามนิองสมเด็จพระจินทร์ศรีบรมสารสนดาสมมาสมุทเยา้าทรนตรเว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถตนแลยมเป็นที่พึ่งของตอน โกฮินาโธบโรูซียาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซเราก็จะได้ที่พึ่งออนบุคคลพึงได้โดยยากนี่เวลามันจะหมดเลยไม่พูดถึงเวทถึงบาลีเป็นอนววาสำหรับเรื่องกายตายในวาระที่สองนี้เวลาหมดแล้วนี่ท่านก็ต้องขอระงับไปก่อน